ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวพุทธนี่ถามว่าตายแล้วอยากจะไปไหนส่วนใหญ่ก็คงตอบว่าอยากจะไปสวรรค์ที่อยากไปสวรรค์ก็เพราะาอยากไปเกิดเป็นเทวดาทำไมถึงอยากจะไปเกิดเป็นเทวดานะก็เพราะเชื่อว่าเป็นเทวดาแล้วก็จะมีความสุขมากกว่า แล้วก็อาจจะรวมถึงมีมีฤทธิ์มีความสามารถนะพิเศษมากกว่าด้วยที่จริงไม่ใช่แค่ตายแล้วอยากไปเกิดเป็นเทวดานะให้ตอนที่อยู่นี่ก็ก็อยากเป็นหรือเมื่อเป็นไม่ได้ก็หวังพึ่งเทวดาบางทีถึงกับกราบไหวนะ้คนที่อยากไปเกิดเทวดา ส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าเทวดาเนี่ยถ้าถามว่าอยากไปไหนเนี่ยนะเมื่อจุติแล้วนี่อยากไปไหนหรือผู้งาคือเทวดาถ้าตายแล้วอยากไปไหนนะเทวดาส่วนใหญ่ก็บอกอยากจะไปเกิดมาเป็นมนุษย์นะมีคำกล่าวว่าความเป็นมนุษย์นี่เป็นสุคติของเทวดาหมายความว่ า, าเทวดานี่นะ ถือเอาความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นจุดหมายปลายทางสุคติของมนุษย์นยะส่วนใหญ่คือเป็นเทวดาหรือเป็นไปนเกิดในสวรรค์นะแต่สุคติของเทวดาคือมาเกิดในโลกมนุษย์นะอันนี้พ่ อ, อรายนะเพราะว่าเทวดานี่เห็นว่ามนุษย์นี่ได้เปรียบหลายอย่างนะมีของดีหลายอย่าง เช่นมีสติดีกว่านะมีความกล้ามากกว่าแล้วก็มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรจย์ก็คือการปฏิบัติตามอริบโโยบมคคงแปดหรือว่าการประพฤติธรรมนะพูดสั้นๆย่อๆซึ่งกหมายถึงโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้สูงมากอันนี้คือเหตุผลที่เทวดาซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเมื่ อ, อจะ จะมาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงท่านอยู่สวรรค์ชั้นดยูสิทธิ์นะแต่เมื่อจะต้องมาตัดสูปป้กับพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในโลกมนุษย์นะเป็นเจ้าชายสิทธัตถนะเพราะว่าโลกมนุษย์นี่มีโอกาส ท, ที่จะได้อันบรุธรรมสูงมากนะพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะจึงน่าจะรู้สึกเออ ภาคภูมิใจหรือสึ้ว่าเราโชคดีนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นนะก็ไปคิดว่าเทวดาดีกว่าน น, นี้เพราะว่าเป็นพวกที่ติดสุขนะเพราะว่ามีความเชื่อว่าบนสวรรค์นี่นมันจะมีนะความสุขมากมายมีคู่ครองมีอาหารทิพย์มีสุขทิพย์ ถ้าเป็นเทวดาก็จะมีเทพธิดามาปลนเปลอนะมากมายพอปรัถนาความสุขแบบนี้เนี่ยก็เลยอย่าไปเกิดเป็นเทวดานะอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักของดีนะความเป็นมนุษย์นี่เป็นของดีกว่าประเสริฐกว่านะเพราะว่าสามารถจะพัฒนาตนให้เข้าถึงความสุขที่ประเสริฐ ประเสริฐกว่าที่เทวดาจะมีด้วยซ้ําเพราะว่าความสุขอย่างที่มีในสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นแค่กามาสุขนะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ความสุขที่แท้ความสุขที่ประเสริฐนี่ยากนะที่เทวดาจะเข้าถึงนะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์เท่าไหร่ หรือเพราะว่าติดสุกนะก็คิดว่าไอ้การมาสุขนี่มันประเสริฐแล้วนะก็เลยไม่ขนขคว่นะไปไปมาก็เลยอาจจะเป็นพวกการมาสุ ข, ขาริการนิย o c c ได้นะการมาสุ ข, ขาริการนิโย o คือพวกที่หมกมุ่นอยู่ในกามนะอันนี้ไม่ใช่มีแต่มนุษย์เท่านั้นนะเทวดาก็เป็นนะะแั้นะเทวดาที่ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยนะก็รู้ว่าเนี่ยเออการมาเกิดเป็นมนุษย์นะ แล้วมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมนี่มันประเสริฐกว่าเวลาเทวดาองค์ใดนี่จะเรียกว่าหมดอายุไขนะก็มีการอวยพรมาขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์น ะ, นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะเราก็นับถือพุทธศาสนาไปนะแต่ก็ไปคิดว่าโอโ้เทวดานี่ประเสริฐที่สุด ที่จริงประสริที่สุคือมนุษย์เนี่ยที่ฝึกฝนนะมนุษย์เมื่อฝึกฝนตนเนี่ยนะจกนกระทั่งเห็นแจ้งในสัจธรรมนะเป็นพระพุทธเจ้านะ่ะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เหนือกว่าเทวดามารพรมนะพรรมนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่ว่าก็ยังต้องเคารพนะกราบกรานพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์นะ หรือแม้แต่พระอระหันต์ก็เหมือนกันนะก็เป็นที่เคารพสักการะของเทวดาที่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงคุณธรรมความดีแล้วนี่มนุษย์เราทําได้เยอะมากกว่าเป็นเทวดานี่ก็ที่หลงอยู่ในการมาสุขก็เยอะอย่างพระอินทร์นี่ก็เป็นผู้ที่ว่าประมาทนะประมาทในใน ท, ในทิพยสุขนะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแม้แต่พระพรหมนี่ก็ประมาทนะประมาทในความเป็น ในปรมาด้วยความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นนิจจังนะคือเที่ยงพระพมบนี่เรียกว่ามีความหลงนะมีวิชาทิฏฐิเพราะว่าเวลา ย, ย้อนนะย้อนไปว่าเนี่ยตัวเองนะเกิดเมื่อไร่หรือว่าจะดับเมื่อไหรเนี่ยก็มองไม่เห็นนะว่าโอ้ดูมันมันยาวไกลหรือเกิน หลายกลับหลายกันก็เป็นหลงว่าเนี่ยตัวเองนี่เที่ยงแท้ น, ะนี่รันดอนอันนี้ก็เป็นความหลงอย่างยิ่งเพราะไม่รู้จักอันนี้จังนะไม่เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรสักอย่างที่เที่ยงเลยเ้าน่าพูดถึงความความประมาทแล้วเนี่ยนะเทวดานี่มีโอกาสประมาทได้มากกว่าพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะก็ได้เห็นความนะความเกิดความแก่ความเจ็บ เห็นความตายในช่วงอายุไขของคนเรานี่ก็ได้เห็นความเสื่อมนะความชราความไม่เที่ยงนีเยอะมากอันนี้เป็นของดีนะอย่าเป็นทีว่าเป็นของไม่ดีเพราะว่ามันกระตุ้นให้ไม่ประมาทได้เห็นความเสื่อมของกามาสุขว่ า, วาทรัพย์สินเงินทองนะวันนี้มีพวกนี้ก็อาจจะหมดนะ หลายคนเป็นเศรษฐีมีความร่ำรวยมีชื่อเสียงกิติยศวันดีคืนนี้ก็ถูกสารตัดสินเข้าคุกไปนะอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่แสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะถึงความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้ามีปัญญาล้วก็จะรู้ว่าไอ้ของพวกนี้นี่เอามาเป็นสารณะไม่ได้นะ ลาบยศสุขสารเสริมพวกที่เป็นเอามาเป็นสารณะไม่ได้ัก็ต้องทำความเพียรเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นความสุขที่ยิ่งกว่านะแล้วถ้าเราฝึกฝนพัฒนาตนจ น, นมีคุณธรรมนะเทวดาก็มาเคารพนะเทวดาก็เคารพนะมนุษย์เรานี่ได้เปรียบเทวดาหลายอย่างนะ ความเพียงของมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งที่เทวดานี่เขายอมยอมยอมรับเหมือนกันมันมีเรื่องราวในชาดกนะว่ามีกษัตริย์สองเมืองเนี่ยทำสงครามกันนะกษัตริย์องค์แรกเนี่ยเมืองแรกเนี่ยนะรู้จักกับฤาษีฤาษีคนนี้นี่สามารถติดต่อกับพระอินทร์ได้ก็ถามฤาษีว่าเนี่ยศึกสงครามนี้นี่เราจะชนะไหม ฤฤษีก็ถามพระอินทร์พระอินทร์บอกว่าชนะแน่พอพระราชาได้รับคำยืนยันจากพระอินทร์ผ่านพระฤฤษีว่าเนี่ยชนะแน่ก็ประมาทนะก็สนุกสนานเตรียมเลี้ยงกันเตรียมฉลองชัยชนะส่วนกษัตริย์อีกเมืองนึ่งนะก็รูปเหมือนกันนะก็มีฤฤษีเหมือนกันฤฤษีนี่ก็ติดต่อเทวดาได้เทวดาบอกว่าแพ้ แต่ว่ากระส์นนี้ไม่เชื่อนะก็เตรียมรีพน์นะฝึกฝนกันอย่างแข็งขันและพอถึงเวล า, าสู้รบกันปพกว่ากษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยที่เทวดาบอกว่าแพ้เนี่ยชนะส่วนกษัตริย์ที่พระอินบอกว่าชนะเนี่ยกับแพ้ยับเยินเลย กษัตริย์ก็เลยโมโหโนะไปตอบว่าฤาษีฤาษีก็เลยไปตอบว่าพระอินทร์ว่าอา้าบอกว่ากษัตริย์องค์นี้จะชนะไม่ใช่หรือทำไมถึงแพ้นะพระอินทร์ก็เลยตอบว่าความบากบั่นภาพเพียงของมนุษย์นี่เทวดาก็ไม่สามารถขวางกันได้คือถ้าดูตามนะตามอะไรเรียกว่าตามโชคแล้วเนี่ยนะตามชะตาแล้วเนี่ยนะ กษัตริย์องค์แรกนี่ชนะองค์ที่สองนี่แพ้แต่องค์ที่สองนี่ทําความเพียนมากอความเพียนของกษัตริย์องค์นี้ก็สามารถจะทำให้พลิกชะตาได้นะอันนี้คือความได้เปรียบของมนุษย์นะที่อส่วนใหญ่ไม่รู้กันมนุษย์เรานี่มีความสามารถมากกว่าหรือมีศักยภาพมากกว่าเทวดายเยอะ เช่นสามารถจะพัฒนาคุณธรรมให้เจริญงอกงามจนกระทั่งเทวดาก็ยอมรับแล้วพูดถึงคุณธรรมแล้วนี่มนุษย์เราสามารถจะพัฒนาคุณธรรมได้มากกว่าเทวดานะนะเทวดานี่ที่ไม่มีคุณธรรมก็เยอะเขาเรียกว่าเทวดามิชาทิฐินะ์ตัวมื่อคนรวยนะ คนรวยนี่ก็มีทั้งมีที่มีสมาธิฐิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิด็อกเตอร์นักวิชาการก็มีทั้งสมาธิิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเทวดาก็เหมือนกันนะถึงแม้อยู่ในสวรรค์นี่ก็มีความหลงแล้วก็มีกิเลสนะถ้มีเรื่องเล่าว่าเมื่ออนาฏปิทิการเศรษฐีเนี่ยยากจนลงไปเรื่อยๆนะอนาฏปินิการเศรษฐีแล้วก็รู้นะว่าเป็น มหาเศรษฐีเลยนะแต่ตอนหลังทําบุญมากนะจกนกระทั่งเงินทองไล่อรอนะพอไล่อรอเนี่ยนะเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูก็มาบอกอนาถบินทีกาศเศรษฐีว่าเลิกให้ทานเถอะเลิกให้ทานนะโดยพ่อเลิกให้ทานผู้เจ้าอนาถบินทีกาศเศรษฐีเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นโสดาบันแล้วนะก็เลยไล่เทวดาไปเลยบอท่านไม่ต้องอยู่ละเป็นเทวดาไม่มีธรรมะ นะมาแนะนําว่าให้เลิกให้ทานนะเทวดาก็เลยเสียใจเลยนะไม่รู้ทำไงเลยไปไปกราบทูลพระเจ้าบขอยช่วยหน่อยนะสุดท้ายก็มาขอขมาอนาถปิณฑิกาเศรษฐีอเทวดานี่ขอขมามนุษย์นะเพราะว่าไม่มีคุณธรรมนะและที่แนะ น, น, นําอนาถปิณฑิกาเศรษฐีไม่ให้ให้ทาน ก็เพราะว่าอไม่พอใจผู้เจา้านะเวลาผู้เจา้าเสด็จมาที่บ้านของอนิันตปิฎ ก, กเศรษฐีเนี่ยเทวดาเนี่ยอยู่บนซุ้มประตูก็ต้องลงมาข้างล่างเพราะว่าอยู่อยู่สูงกับผู้เจา้าไม่ได้ลงมาบ่อยๆก็ลาคานะนะขนาดแค่ลงมาจากซุ้มประตูแค่เนี้ก็ขี้เกียจแล้วนะอันนี้เรียกว่าเป็นเทวดาที่อไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไม่มีความ อ่าสัมมาคารวะนะให้พวกเราเนี่ยเวลาเวลานึกถึงเทวดานี่อย่าไปคิดว่ามีแต่เทวดาที่ที่ดีนะเทวดาที่ไม่ดีก็มีจริงอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพราะว่าบุญเนี่ยหนุนส่งให้ได้ไปเกิดในสวรรค์นะแต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปก็คุณธรรมก็เสื่อมได้หรือว่าไม่ใส่ใจในการพัฒนาตนให้มีคุณธรรม ก็เหมือนคนเราเนาะคนเราเนี่ยที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่ามีบุญหนุนส่งนะแต่พอเกิดมาแล้วอาจจะทําทตัวเลวแหลกก็ได้นะกลายเป็นขี้ขโมยกลายเป็นฆาตก ร, กรก็ได้นะอย่าไปคิดว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันแค่ใช้กรรมอย่างเดียวหรือว่าสวัยผลแห่งบุญกุศลเท่านั้นนะมันก็สามารถจะสร้างกรรมก็ได้และกรรมก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี แต่มนุษย์เรานี่นะไม่ค่อยถ้าไม่มีปัญญานะก็ไม่คิดที่จะพัฒนาสร้างกรรมดีขึ้นมาฝึกฝนตนหลายคนก็เอาแต่พึ่งพาเทวดานะมันก็น่าน่าอายเหมือนกันนะความสามารถมีเยอะนะเยอะจกนกระทั่งเทวดาก็ยอมรับนะแต่ว่าไม่ไม่พาคเพียรพยายามเอาแต่ขออันนี้ก็ไม่ต่างจาก คนที่มีร่างกายครบสายุสองนะแต่ว่าไม่ไปทำมาหากินนะเอาแต่ขอนะขอทานาคนเราจำนวนไม่น้อยก็เป็นแบบนี้นะมีความสามารถที่จะฝึกฝนตนให้พ้นทุกข์ได้หรือว่าสามารถจะพัฒนาให้มีชีวิตที่เจริญงอกงามนะแต่ว่าไม่ทำเอาแต่ขอวิงวอน พุธศาสนานี่ไม่สนับสนุนนะการไปวิงบอลการไปอ้อนวอนขอให้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยไม่ใช่เพราะว่าไม่เชื่อมีสิ่งเหล่านี้นะชาวพุ้นนี่ถ้าศึกษาจากพระไตรบิดกก็ก็คงจะเชื่อนะว่าเออมันมีนะมันมีแต่ว่าไม่ชือว่าเป็นสารณะนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐ ถ้าเราศึกษาดีๆจะพบว่ามนุษย์เราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอจะเสียเปรียบเทวดาหลายอย่างนะแต่ว่าบางอย่างเราก็ดีกว่ามีดีกว่าและถ้าเราทําสิ่งนี้นะพัฒนาสิ่งนี้ให้มากขึ้นเนี่ยก็จะอยู่เหนือเทวดาอยู่สูงกว่าเทวดาจนแม้กระทั่งพรหมนี่ก็ต้องมาเคารพ ก, กรบบาบไหว้คนเราเนี่ยนะไม่ว่า เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดแข็งอย่างไรนะแล้วเราทําใช้จุดแข็งนั้นให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถจะมีความเจริญได้มีความสุขได้อถึงแม้ว่าจะไม่เชื่อเรื่องเทวดาแล้วก็ตามนะเอาแค่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นคนตาบอดหูหนวกนะเป็นคนพิกการเนี่ยขาดโน่นขาดนี่นะไม่เหมือนคนทั่วไปไม่ต้องไปเปรียบกับเทวดาก็จะเปรียบคนทั่วไปเนี่ย คนบางคนก็เสียเปรียบนะพิการตาบอดนะเดินไม่ได้บางคนไม่มีแขนไม่มีขาเลยแต่ว่าถ้าหากเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ใเกิดประโยชน์เต็มที่นะก็สามารถจะมีความสุขหรือว่ามีความสำเร็จยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปอย่างมีชายญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยชื่อโอโตะเกะเนี่ยนะ ไม่มีแขนไม่มีขานะเขียนหนังสือชื่อไม่ครบห้านะก็คือมีแต่หัวไม่มีแขนสองไม่มีขาสองแต่เขาสามารถที่จะใช้สติปัญญาที่เขามีเนี่ยนะพัฒนาจงกระทั่งสามารถจะช่วยตัวเองได้ทำมาหากินได้แล้วก็มีความสุขด้วยนะเขาบอกเนี่ยฉันผมเกิดมาพิการแต่มีความสุขและสนุกทุกวัน เขาไม่มัวมาเสียใจโอ้ฉันสู้คนอื่นไม่ได้เลยนะฉันไม่มีแขนไม่มีขาอันนี้คนที่คิดแบบนี้ลืมไปว่าเรายังมีอย่างอื่นที่ที่สามารถใช้การได้ดีเหมือนคนทั่วไปเช่นยังมีตายังมีจมูกยังมีหูยังมีสมองนะที่สําคัญคือมีสมองไม่ได้ตายจากคนทั่วไปถ้าพัฒนานี่ก็สามารถจะทําสิ่งที่วิเศษได้ อย่างมีนักนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะชื่อสตีเฟนฮอว์กิงนี่ดังมากนะอายุ70แล้วพิการนะมาตั้งแต่อายุ20นะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงแล้วก็หมอว่าจะตายในปีสองปีแต่ปราะว่าแกอยู่ได้ถึงอายุ70เดินไม่ได้พูดไม่ได้นะเพราะว่าการพูดเนี่ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อ เขียนหนังสือก็ไม่ได้แต่ว่ากระดินิ้วพอได้บ้างก็เพราว่าใช้ความสามารถที่มีทั้งหมดที่มีเนี่ยโดยเพราะสมองเนี่ยเต็มที่เลยจนทั้งกายเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมาก <S <S เขียนหนังสือออกมาพิมพ์เป็นหลายล้านเล่มเป็นสิบล้านเล่มแล้วมัง้งเรียกว่าได้ทั้งชื่อเสียงแล้วก็ได้ทั้งเงินคนบางคนตาบอดนะ แต่ว่าเขาสามารถจะพัฒนาความสามารถส่วนอื่นตาบอกก็จริงแต่หูยังได้ยินก็พัฒนาหูจกนกระทั่งสามารถจะได้ยินเสียงที่ละเอียดอ่อนเวลาเดินเนี่ยไม่ต้องใช้ไม้เท้านะไม่ต้องมีคนจูงนะเขาใช้วิธีเดาะลิ้นเดาะลิ้นเนี่ยให้มันเสียงดังเวลาเดินไปไห น, นีเดาะลิ้นเนี่ยเสียงของ ลิ้นเนี่ยที่กระทบกับป่าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นสัญญาณเลดา้าพอไปเจอเสาถ้าเกิดมีเสาอยู่ข้างหน้ามีรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนกลับมาที่หูเขาหูเขาก็ไวมากละเอียดมากจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อข้างหน้านี่นะมันมีสิ่งกีดขวางนะแล้วไม่ใช่รู้นะว่ามีสิ่งกีดขวางเท่านั้นนะบอกได้ว่าเป็นเสาเป็นรถหรือเป็นคนนะ อ้นี้เก่งมากเลยแล้วทํากันได้แบบนี้หลายคนนะบางคนตาบอดเนี่ยขี่จักรยานได้นะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยแค่แค่เดาะลิ้นแล้วก็ฟังเสียงที่มันสะท้อนกลับเหมือนทั้งคาวข่ะทั้งค้าวนี่มันบินในที่มืดได้เพราะมันส่งสัญญาณนะพอสัญญาณสะท้อนกลับพอไปชนกับอะไรเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าข้างหน้ามีอะไร นะเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นเหยื่อคนก็ทำอย่างนั้นได้นะคนตาบอดเนี่ยเขาไม่หมดแต่เสียใจว่าฉันตาบอดฉันทำอะไรไม่ได้นะเขาก็พัฒนาความสามารถส่วนอื่นขึ้นมา mm. เช่นพัฒนาหูนะให้ไวนะ้นะไม่น่าเชื่อนะคนที่ตาบอดนี่เดินโดยที่ไม่ต้องมีไม้เท้าไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียววิ่งก็ได้หรือว่าสามารถจะขี่จั ก, กรยานก็ได้ บางคนพิการบางคนอย่างอาจารย์กำพลเนี่ยนะมือไม้พึ่งพาเลยไม่ค่อยได้ขาก็พึ่งพาเลยไม่ได้แต่ว่ามีมีหัวมีสมองมีใจก็สามารถจะพัฒนาจกนกระทั่งเออลาออกจากความทุกข์ได้กายพิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วยคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมามีอะไรมีเท่าไหร่เนี่ย แม้จะขาดโน่นขาดนี่แต่เอาไอ้สิ่งที่มีเนี่ยใช้ให้เต็มที่นะมันก็สามารถจะพัฒนาได้จนสุดยอดเหมือนกันมีคนก็เปรียบเทียบไว้ดีนะว่าชีวิตคนเรานี่ก็เหมือนกับการจั่วไพ่นะบางทีก็จั่วไพ่ได้ใบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่มีคิงไม่มีแม็ปไม่มีแจนะ็คนั้นได้แต่สองได้แต่สามนะแต่ว่า จะชนะหรือแพ้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจัวได้ไพ่อะไรนะอยู่แต่อยู่ที่ว่าจะเล่นไพ่อย่างไรมากกว่าบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาพิการเนี่ยก็เหมือนกับได้ไพ่ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าหากว่าไอ้ไพ่ที่มีเนี่ยใช้ให้มันดีใช้ให้มันเป็นนะแล้วก็ใช้ปัญญาสักหน่อยเนี่ยก็สามารถจะชนะคนอื่นได้นคนที่พิการนะขาดนนขาดนี่เกิดมาจนไม่มีพ่อไม่มีแม่ นะหรือว่าเกิดมาแล้วเจ็บป่วยหรือว่าเกิดมาไม่เจ็บป่วยแต่มาป่วยเอาตอนหลังๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าชีพมันจะย่ำแย่นะเราจะขาดไปกี่อย่างก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะใช้ให้มันเกิดประโยชน์เต็มที่นะโดยเฉพาะสมองของเรานะจิตใจของเรานะเราก็จะสามารถนะประสบความสุขได้ ประสบความสาเร็จในทางธรรมหรือทางโลกก็ได้มีเด็กคนนึงเนี่ยนะอ่านหนังสือไม่ค่อยได้เลยเพราะก็มีปัญหาทางสมองเรียนหนังสือก็สอบตกนะแต่ว่าแม่นี่ก็ดีนะแม่นี้ไม่ไม่ไม่ย่อท้อก็พยายามหนุนให้เขาไปเอาดีทางอื่นนะเขาชอบเขาชอบทาครัวสุดท้ายเขากลายเป็นพ่อครัวที่มีชื่อเสียงมากนะ เป็นพ่อครัวที่ร่ำรวยนรวยกว่าเพื่อนที่จบด็อกเตอร์ซะอีกนะะเพื่อนหลายคนนี่สมองดีนะจบด็อกเตอร์ได้เป็นาศาสตราจารย์แต่ว่าไม่รวยเท่ากับอ่าพ่อครัวคนนี้ทั้งที่อ่านหนังสือไม่ค่อยได้เขาบอกว่าอ่านหนังสือจบเล่มครั้งแรกก็ตอนนะอายุสามสิบแปดนะอ่านหนังสือจบเล่มครั้งแรกเล่มแรกก็อายุสาสิบแปดนะ แต่ถึงไม่อ่านหนังสือไม่ได้แต่เขาทาครัวเก่งอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่สมาธิสั้นเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยได้เลยนะสมาธิสั้นเนี่ยแต่ก็ไปเอาดีทางว่ายน้ํำนะว่ายน้ําแบบว่ายทุกวันเลยฝึกทุกวันนะจนกระทั่งกลายเป็นอนักว่ายน้ําที่ได้เหรียญทองมาที่สุดในโลกนะ f e l ฟ์เนี่ยคนคงได้ยินนะ ailed, Mark ailed, นะอันนี้เป็นชาวอเมริกันได้เหรียญทองมารู้สึกสิบแปดเหรียญมั้งนะคือเอาดีไม่ได้ทางทางเรียนหนังสือก็มาเอาดีทางกีฬานะท่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบกพร่องในเรื่องใดก็ตามเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มันก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้หรือว่ามีความสุขได้ไม่ใช่สิ่งที่มีเท่านั้นนะสิ่งที่เจอด้วยเจออะไรก็ตามแม้ว่าจะเจอมันเจอสิ่งที่แย่แต่ว่าใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์วันก่อนได้เล่าเรื่องหลว ง, นะงพ่อประสิทธิ์นะหลวงพ่อประสิทธิ์ท้าวโร น, นี่ท่านเคยติดคุกนะข้อหาฆ่าคนตายคนที่ตายก็คือเมียนั่นแหละ พอรัว่วเมียนี่จะคิดลายนะก็โกรธนะแทงเมียตายติดคุกแต่ว่าช่วงที่อยู่ในคุกเนี่ยก็สำนึกผิดแล้วก็หันมาสนใจธรรมะท่านก็ศึกษาธรรมเนี่ยในระหว่างที่อยู่ในคุกเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะจนกระทั่งได้พบกับอได้มีความสามารถนะทางจิตสูงมากนะระหว่างที่อยู่ในคุกนะอันนี้เราว่าถึงแม้จะผิดพลาดนะ จนติดคุกนะแต่ว่าก็ไม่มัวแต่ทุกข์ระทมไปคิดว่าคุกนี่คือนรกนะก็ใช้คุกนี่แหละเป็นเหมือนกับทําให้เป็นวัดสเสลยนะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมในสามพุธการก็มีนะมีเสนาบางคนเนี่ยติดคุกเพราะว่าถูกแกล้งก็ปฏิบัติธรรมในคุกจนได้เป็นพระโสดาบันนะคนเราเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าเจออะไรเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นนะหลวงพ่อคําเขียนท่านถึงบอกว่าเนี่ย นักภาวนาเขาคือนักโว์โอกาสนะโชว์โอกาสทุกอย่างทุกเวลาทุกสถานที่เพื่อการฝึกฝนพัฒนาตนไม่ใช่โว์โอกาสเพื่อกอบโกยนะอันนั้นไม่ใช่นักภาวนาคนเราโชว์โอกาสได้หลายแบบนะโว์โอกาสกอบโกยอันนั้นก็มีนรกเป็นที่หมายนะแต่ถ้าโว์โอกาสเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนลดละขัดเกาเกิเลตเติม เพิ่มความรู้สึกตัวให้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็สามารถจ ะ, จะเจริญงอกงามนะในทางธรรมได้จนกระทั่งสามารถจะพ้นทุกข์ได้อันนี้เป็นนะวิสัยของชาวพุทธนะก็คือว่าเราเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นให้ดีที่สุดนะเป็นมนุษย์ก็เป็นให้ดีที่สุดนะถ้าเป็นมนุษย์จนดีที่สุดเนี่ยเทวดานะพรหมก็นับถือนะ เป็นคนพิกการนะเป็นคนาขาดขาดโอกาสแต่ว่าเราก็ใช้สิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะเราก็จะสามารถบรรลุถึงความใฝ่ฝันหรือความมุ่งมากปรารถนาได้เหมือนกันนะไม่ต้องวิงวอนร้องขอนะเป็นมนุษย์ก็ไม่วิงวอนร้องขอเทวดา เป็นคนยากคนจนก็ไม่วิงวอนร้องขอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่รอพึ่งความเพียรของตัวนะจะเป็นพระพิคเน่จะเป็นพระพรหมจะเป็นพระอินท์นะก็ต่างคนต่างอยู่ไปนะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมสังสารวัตรนะต่างมีความเมตตากรุณาต่อกันอันนี้เป็นท่าทีของชาวพุทธนะไม่วิงวอนไม่ไม่ร้องขอนะ แต่ถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมสังสา ร, รวัฏทําบุญก็ อ, อกทุทิทุกส่วนกุศลให้อย่างทําวัดอย่างตอนเชา้าแล้วก็เราก็ทํามีการกรวดน้ํา อ, อุทิศส่วนกุศลไปให้นะเทวดาก็ให้นะสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกก็ให้หมดนะแต่ว่าไม่ไม่พึ่งพาอาศัยนะไม่ร้องขอไม่วิงวอนแต่เราจะทําความเพียรของเรา ใช้สิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็เจออะไรก็ไม่บน่นไม่บวยวายว่าทําไมต้องเจออย่างนี้นะตั้งสติแล้วก็ทําใช้มันให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าเอามาเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมหรื่องที่หลวงพ่อบอกเนี่ยว่าแม้ถูกดานะก็เห็นสัจธรรมได้เวลาคนเ้าดา่าเราก็กำลังแสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะเรื่องโลกธรรมแปด นี่ต้องฉลาดนะมีอะไรเจออะไรนี่ต้องมาใช้ให้เกิดปรี่ยน์ในทางทําให้เต็มที่เลยนะไม่มัวเสียใจไม่มวโววอยไม่มมวกุมอกกุมใจอ่ล่ะพอสมควรกับเวลาแล้วก็เตรียม